ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องสูตรสู่ความสำเร็จโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่20ตุลาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังพระสูตรพระสูตรหนึ่งนะเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่ชื่อว่าเทวทหสูตรข้อที่สิบสองคือข้อเนี้จะเกี่ยวกับความเพียรความพยายามคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดถึงการที่เราเนี่ยจะทำอะไรแล้วจะให้สำเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการ ถือศีลเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะท่านพูดถึงความเพียรความพยายามเนี่ยจะมีผลหรือจะเกิดผลสำเร็จได้จะต้องอาศัยสามอย่างนี้หรือสมข้อนี้นั่นก็คือหนึ่งนะข้อที่หนึ่งไม่เอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถม คือผู้เจ้าท่านตรัสเนี่ยหมายความว่าจริงๆคนเราเนี่ยตอนแรกที่จะมีความเปลี่ยนมีความพยายามหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เริ่มแรกสุดเนี่ยมันคงไม่ใช่เพราะเรามีทุกมีโศกมีอะไรมาก่อนหรอกนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะโดยเฉพาะสิ่งที่เราบางทีมุ่งหวังสิ่งที่เราฝันไว้ สิ่งที่เราปรารถนาะว่าอยากจะให้มีอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมมันคงไม่ได้มีทุกมาก่อนเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็นเลยถือว่าเราจะทำสิ่งนั้นอะ่ะสิ่งนั้นอะ่นนอะยังไม่มีทุกสำหรับเราเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ได้ว่าเออจริงๆเนี่ยมันยังไม่มีทุกนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาทุกมาทับถมตน ที่ไม่มีทุกทับถมคือจริงๆมันไม่ได้มีทุกมีอะไรหรอกแต่อย่างแรกเลยคนที่จะเอาทุกมาทับถมตนนี่นะอย่างแรกก็คือความคิดก่อนเริ่มด้วยความคิดเพราะฉะนนคนเราเนี่ยบางทีอ่ะอะไรอ่ะอยากจะเรียนให้สําเร็จอยากจะทํางานให้มีชื่อเสียงหรือว่าอยากจะทํางานให้เจริญ ให้ก้าวหน้าอะไรเงี้ยพอเริ่มคิดขึ้นมาตอนแรกยังไม่มีปัญหาแต่พอเริ่มคิดไปคิดไปคิดไ ป, ดไปโดยเฉพาะยิ่งใครเนี่ยพอคิดไปคิดแล้วก็คิดใหญ่ขึ้นเรื่อยคิดใหญ่ขึ้นเรื่อยคิดใหญ่ขึ้นเรื่อยเคยได้ยินเมื่อไห่เรื่องนายฟุ้งกับนายฝั น, นอันตมาก็จำเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้นะจำได้แต่ เ, เนื้อคร่าวๆว่าสองคนนะ่ะมาคุยกัน เสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดถูกหวยได้เงินมาใช่ไหมสมมติว่าถูกระหวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยได้เงินมาอีกคนนึงก็บอกว่าก็จะไปปลูกผักนะมีซื้อที่ซื้อที่ดินอยากจะทําการปลูกผักโอ้โหจะทําให้ผักเนี่ยงามให้เขียวชะอุ่มเลยละอีกคนนึงแหละจะทําอะไรอีกคนนึงก็บอกว่า อ๋อถ้าถูกรางวัล น, นี่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงวันอีกคนหนึ่งได้ยินบอกโอ้โหจะซื้อสักกี่ตัวล่ะออบอกอ้าวก็มีเงินเยอะก็ซื้อเป็นฝูงสิ <c oughs> วันอีกคนหนึ่งก็เลยคิดต่อบอกโอ้โหอย่างนี้นี่ถ้าเอง็ง เลี้ยงควายเลี้ยงวัวเยอะแยะนี่แล้วข้าปลูกผักเดี๋ยววัวเองก็มากินผักของข้าหมดละสิเอาละสิเขาที่เริ่มมีปัญหาเสร็จแล้วก็เนี่ยก็คิดกันต่อไปเรื่อยนะไปไปมาม า, มาเลยสองคนเลยเถียงกันใหญ่เลยทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างคิดต่อไปเรื่อยคิดต่อไปเรื่อยตอนแรกไม่มีทุกข์อะไรนะบอกแล้วตอนแรกยังไม่มีทุกข์อะไรเลยแม่ฝันหวานนะฝันหวานว่า เออจะถูกหวยหรือว่าได้รับรางวัลไม่ได้มีทุกอะไรนี่แต่พอเริ่มคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยอ่าไอ้นี่ปลูกผักไอ้นั่นซื้อวัวอ่าเดี๋ยวถ้าถ้าวัวเองมากินผักข่านี่ข่าจะตีข่าจะไล่ไปนะเอาแล้วที่บอกอา้าวไอ้นู่มก็เถียงกลับมาไปไปมามาเลยทะเลาะกันเลยสองคนแต่เรื่องเนี้ยคือมันฝาก แง่คิดเอาไว้ได้เหมือนกันว่าเออจริงๆเยังไม่ได้มีทุกข์ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่พูดกันไปพูดกันมาพูดกันไปพูดกันมานะต่างคนต่างคิดคิดไปคิดมาจนกระทั่งได้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยอธมายกตัวอย่างเพื่อที่จะเหตุให้เห็นว่าข้อที่หนึ่งนะคนเราเนี่ยจะเพียรจะพยายามทําสิ่งไรก็ตามท่านก็ตัดเอาไว้ว่า ไม่เอาทุกมาทับถมตนที่ไม่มีทุกทับถมเพราะันจริงๆคนเราเนี่ยตอนแรกยังไม่มีทุกอะแต่พอเริ่มคิดเนี่ยยิ่งๆถ้าลงมือกระทาอะเดี๋ยวจะยิ่งเห็นชัดนะวันตอนนี้นี่อาตมาเอาแค่คิดก่อนแค่คิดเนี่ยถ้าใครคิดไม่เป็นอาตมาอยากจะบอกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าถ้าพูดภาษาปัจจุบันนี้น่าจะบอกว่า อย่าคิดอะไรแง่ลบใครเนี่ยกำลังไปขยันไปภาคเพียรไปทําอะไรอยู่เนี่ยพุทธเจ้าบอกจะมีผลที่ดีหรือผลสําเร็จได้เนี่ยคืออย่าคิดแง่ลบยกตัวอย่างง่ายๆนะขนาดคนมาถือศีลหรือมาตั้งตาบะเพื่อที่จะทําดีอะไรสักข้อหนึ่งหรือว่าสักอย่างหนึ่งพอตั้งตาบะขึ้นมาปาั๊บอ่าก็ต้องเพียนแล้วใช่ไหม ต้องพยายามที่จะต้องกระทาให้ศีลเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือทําให้ตาบะที่เราอุตสาตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาต้องให้สําเร็จให้ได้เสลปรากฏว่าพอตั้งตบาบะปั๊บเอาละสิตั้งอะไรดีอ่ะสมมุติว่ า, าบางคนตั้งว่าจะกินกับข้าวอะไรกี่อย่างนะเอาสมมติกินกับข้าวอย่างเดียวนะมือนึงเนี่ยนะ กินกับข้าวอย่างเดียวแล้วก็กินยี่มือ้อ <c oughs> กินมื้อเดียวด้วยอา้าวส ม, มุทนะเนี่ยจิตตั้งไว้ดีละที่จริงนะตอนแรกแต่พอเริ่มปฏิบัติใช่ไหมเริ่มทุ่มเทความเพียรความพยายามใส่ลงไปปั๊บปรากฏว่าในขณะที่ปฏิบัติแล้วก็กระทาไปเจอภัสสะเขาละคราวนี้โอ้โหไอ้นู่นก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยอาระเริ่มทยอยมานะเสร็จแล้วคราวนี้ เริ่มคิดแล้วสินะโอ้โหไม่น่าตั้งเลยนะเริ่มแล้วนะความคิดมันเริ่มเข้ามานเนี่ยเนี่ยความคิดแง่ลบมันเริ่มเข้ามาเผ้อเหนักข้อยิงกว่า น, นี้อีกไอไอคิดแค่ไม่น่าตั้งนี่เริ่มแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ต่อไปเรื่อยยิ่งพอเราไอ้นี่เราไม่ตักใช่ไหมเ อ, เอาผ่านไปไอ้นั้นเราไม่ตักเอาผ่านไปต่อให้ผ่านไปหมดแล้ว จนกระทั่งเราเราสามารถทําได้นะว่าอะไรนะกับข้าวอย่างหนึ่งทําได้แต่ตอ น, นี้พอตอนกินอ่ะพอะตอนกินกินไปกินมาอดคิดไม่ได้อีกเอาเริ่มเริ่มอีกแล้วไอ้ตะกี้นี้ตอนตอนอตักอาหารใช่ไหมคิดไปทีแล้วนะปรากฏว่าเอาชนะได้แต่พอผ่านผ่านเรื่องตักเอาไว้แล้วอันนี้พอถึงขั้นตอนการกินละปรากฏว่ากินไปกินมาเดี๋ยว เริ่มนึกเริ่มนึกขึ้นมาโอ้โหปกติถ้ากินกับไอ้นี่ต้องกินกับไอ้นี่นะมันถึงจะสมพงกันมันถึงจะได้รสชาติเอาละซีเริ่มคิดอีกแล้วความคิดแบบนี้คือแง่ลบคือความคิดที่มันบ่อนทำลายทำให้ความตั้งใจทำให้ความเพียรความพยายามของเราเริ่มที่จะมีอุปสรรคเริ่มที่จะมีปัญหา ความคิดที่เราคิดแง่ลบขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยอาตมาถึงใช้คำปัจจุบันนี้ว่าว่า เ, เราจะเพียรพยายามอะไรเนี่ยให้เกิดผลสำเร็จก็คืออย่าคิดแง่ลบในสิ่งที่เราทำเพราะจะต้องจะต้องพยายามนะอันนี้เป็นเป้าแรกเลยเป็นประเด็นแรกเลยซึ่งสำคัญมาก เพราะว่าถ้าใครเนี่ยตั้งจิตตั้งใจไว้ดีแล้วแล้วทำอะไรคุณทำอะไรก็ตามไม่มีหรอกในโลกเนี้ยที่จะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาไม่มีผัสสะอะไรที่ที่จะมากระทบไม่มียิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยยิ่งถ้าเป็นอะไรอะ่ะไม่ใช่เป็นความเคยชินไม่ใช่เป็นความชํานาญไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอะไรอะ่ะรู้ดีแล้วเนี่ย บางที่มันจะเจออะไรต่ออะไรเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปที่เราจะเจอยกง่ายๆบางคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาอยู่วัดก็มักที่จะได้ยินบ้างบางทีพวกเราจะเคยได้ยินบางคนก็บน่นบางคนก็พูดหรือบางคนก็ตําหนิไ NO อ้นนไอ้นี่ว่าว่าอะไรอ่ะว่าในทางที่ไม่ดี ทั้งๆ ท, ที่จริงๆตัวเองก็ยังทำอยู่นะสมมติว่าเอาใครมาพักวัดอย่างเงี้ยมาอยู่วัดแต่ลราอาจจะเห็นอาไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ ด, มดีเสร็จแล้วเราก็คิดไงเราก็คิดในแง่ไม่ดีพอคุณเริ่มคิดในแง่ไม่ดีอ่ะคุณเริ่มสะสมละสะสมความไม่ชอบใจความอึดอัดขัดเคืองความไม่ยินดีอะไรต่างๆพอสะสมเข้าสะสมเข้ามันมากเข้า มันไม่ใช่แค่คิดนะมันอาจจะออกมาเป็นคำพูดหรืออาจจะออกมาเป็นพฤติกรรมบางทีเริ่มมีอะไรอ่ะมีการกระทาหรือมีอะไรที่เราเริ่มอะไรอ่ะไม่เป็นไปตามไอ้สภาพของสังคมที่เราไปอยู่นันนั้นละเพราะนั้นอันเนี้ยจะต้องระวังโดยเฉพาะอย่างแรกเนี่ยเรื่องของความคิดเป็นมากอันเนี้ยอาตมาไม่รู้จะ จะพูดหรือว่าจะบอกหรือว่าจะอธิบายยังไงนะเพราะเห็นเห็นมาเยอะจริงเพราะว่ า, าศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาอยู่วัดมาเนี่ยร่วมสิบกว่าปีเกือบจะยี่สิบปีอยู่แล้วได้พบเห็นพวกเราแต่ละรายที่เข้ามาปฏิบัติธรรมมันจะมีสองพวก่าใหญ่คือพวกหนึ่งเนี่ยปฏิบัติธรรมไปแล้ว คือใหม่ๆนี่ยังไม่ต้องพูดถึงใหม่ๆ ม, มันยังแปลกใหม่มันยังอะไรนะไม่เท่าไหร่อ่ะแต่พอปฏิบัติไปได้สักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วเขาเนี้ยเจอภาษะเจออะไรมากขึ้นแล้วคนอื่นเขาก็เหมือนกับถือว่าชักจะไม่ใหมล่ละเขาถือว่าชักจะอยู่ว่านานพอสมควรละตานเนี้ยเขาเริ่มละเขาเริ่มที่จะเหมือนกับว่าไม่เกรงใจมาก เพราะว่าชักสนิทหรือว่าชักเป็นกันเองเนี่ยมันชักไม่ค่อยเก่งใจจะติจะว่าจะอะไรนี่มันกล้าพูดกล้าบอกสังเกตไหมถ้าถ้าเป็นคนใหม่เป็นคนที่เราไม่รู้จักเราอยากจะติเราอยากจะว่าเรายังไม่ไม่ค่อยจะกล้าไปพูดไปว่ารุนแรงอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยพอมันไปได้สักพักหนึ่งนะมันจะเริ่ม ตอนนี้แหละพอมันผัสสะชักแรงเข้ามาคําว่าแรงนี่ไม่ใช่ว่าใครไปแกล้งอะไรหรอกนะมันเป็นไปเองโดยสภาพของชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณต้องเจอจนได้อะเพราะว่ายิ่งเราอยู่กับคนมากขึ้นเท่าไหร่จริตนิสัยที่แตกต่างกันความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหันความขัดแยง้งความรสสนิยม ที่ไม่เหมือนกันอะไรคุณจะเริ่มเจอมากขึ้นมากขึ้นเสร็จแล้วตอนนี้พอเราเจอในสิ่งที่เราไม่ถูกใจเราไม่พอใจมันก็คิดตัวิดข้อนตอนเนี้ยอันตรายอยู่ที่ตรงนี้ความคิดแง่ลบๆมันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มพญานัทเนี่ยบางทีเขาถึงให้ฝึกเขาฝึกให้เล่นเกมดีใจ <laughs> เขาให้ฝึกเล่นเกมดีใจ ส่วนเรื่องเกมเสียใจไม่ต้องเล่นเกมเสียอารมณ์ไม่ต้องเล่นเขาให้เล่นเกมดีใจทั้งนั้นที่เราเจอผัสสาเนี่ยแต่หัดหัดพยายามฝึกไม่ไปคิดในแง่ลบพยายามให้ฝึกคิดในแง่บวกแต่ตอนนี้บางทีมันไม่ง่ายไงคือคือความคิดในแง่ลบเนี่ยอย่างน้อยต้องรู้ตัวก่อนเฮ้ยนี่เป็นความคิดที่ จะทำให้เราเนี่ยยิ่งอะไรอะ่ะยิ่งหมดพลังจิตพลังใจเราในการที่จะอยู่ในการที่เราจะคบหาใครในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาแง่ลบมันจะทำลายตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเรารู้เราเข้าใจตรงนี้ได้ระวังตัวแรกก็คือระวังจิตที่คิดในแง่ร้ายเนี่ยแหละหรืออากุศ ล, ลจิต เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยจิตที่คิดในแง่เสื่อมผู้เจ้าท่านโอ้โหไม่เอาเลยท่านบอกกว่าทิ้งจิตแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไรกว่าทิ้งทันทีเพียงแต่ว่าคุณรู้ทันไหมอ่ะคุณรู้ได้ได้ไวไหมได้เร็วไหมเพราะบางทีพอเราคิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ทันรู้ตัวคือเราปล่อยให้มันปรุงไปเรื่อยเวลาเราคิดแง่แง่ลบอะไรกับใครขึ้นมา แล้วเราก็ปรุงไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นตอนที่เราเผลอเนี่ยเราจะปรุงเรายิ่งปรุงไปมากเท่าไหร่ไอ้แง่ลบที่ที่ที่อยู่ในใจเรามันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆอาตมาเคยถามพวกคุณบ่อยๆว่าคนที่โดยเฉพาะนะที่สำนวนเราใช้คําว่าเพ่งโทษหรือเราจะใช้คําว่าถือสาอ่าแล้วแต่ละจะใช้สำนวนภาษาไหนแต่แต่ใน ลักษณะสภาวะจิตจแบบนี้ใครก็ตามคิดแง่ลบคิดแง่เพ่งโทษคิดแง่ถือสาใครมากเท่าไหร่เอาใส่มาในใจมากเท่าไหร่เอาใส่มาในใจเพราะใจคนนั้นจะเต็มไปด้วยอะไรก็ใจคุณก็มีแต่โทษใช่ไหมเพ่งโทษใครอ่ะคือว่าไม่ชอบใจนั่นไม่ชอบใจไอนี่ไม่ชอบใจ ฟ้าบังดินมั่งกําแพงบังผนังบั่งอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ชอบใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งนั้นเป็นข้อมูลนะเอามาใส่ในโปรแกรมใจของคุณเอามาใส่ในในจิตในใจของคุณทั้งนั้นเพราะในในจิตในใจคุณมีแต่ข้อมูลลบนี่เต็มมาหมดเลยเวลาเราเกิดอยากจะคิดอะไรอยากจะทําอะไรคุณ ก, ก็กดปุ่มปุ๊บคือกดปุ่มความคิดเนะี่ยให้มันคิดแล้วคุณว่ามันจะคิดอะไรออกมาล่ะ ก็ในในใจเราเนี่ยหรือในจิตเราหรือในสมองเรามันมีแต่ข้อมูลลบๆเต็มไปหมดใช่ไหมวันพอคุณกดปุ่มความคิดของคุณเนี่ยคุณไปทำงานอะไรคุณไปทำอใครไอ้ปุ่มความคิดนี้มันมันก็โอ้โหข้อมูลมันเยอะนี่วมันก็ออกมาเต็มหูเต็มหัวคุณหมดอ่ะเพราะโอกาสที่คุณจะคิดอะไรดีๆน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะในจิตวิญญาณของเราโอ้โหแงลบมันเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีแต่แง่ลบใช่ไหมวันพอเราจะไปคิดคุณจะไปทำอะไรคุณจะไปพูดกับใครไอ้แง่ลบมันก็ทำงานของมันสิไอ้แง่บวกมันก็ทำเหมือนกันนะแต่มันมีกำลังน้อยกว่าเมื่อมันมีกำลังน้อยกว่าไอ้แง่ลบที่มันมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงจิตคุณให้คิดไปทางลบวันาวนี้เนี่ยกลับใครกับอะไรเนี่ยมันก็โน้มไปในแง่ลบมากกว่าแง่บวก เพียงแต่ว่าเออคนนี้นี่ถ้าใครเนี่ยมีสิ่งที่เราชอบมากกว่าหน่อยแง่บวกมันก็มากใช่ไหมสําหรับคนนั้นก็มากขึ้นมาก็มันก็เออเอ อ, ออยังกระพริบอันแต่แม้แต่คนที่เราชอบก็ตามนะถ้าสมมุติเกิดสกิดหรือเกิดทําอะไรวันไหนให้เราเกิดไม่ค่อยถูกใจขึ้นมาโอ้โหคุณก็บอกแล้วแง่ลบในใจมันมีมากกว่าใช่ไหมเพราะมันขึ้นมาทํางานไวมากเลยนะเร็วมากเลย วันโกรธง่ายโมโหง่ายลำคาญง่ายถือสาคนง่ายคนที่จะเป็นอาการพวกนี้มากเรื่อยเื่อยมากเรื่อยๆอารมณ์จะไม่ค่อยเย็นหรอกใจจะไม่ค่อยเย็นแล้วก็จะอ่อนไหวต่อผัสสะอาจจะใจยเย็นได้นะถ้าไม่ต้องผัสสะอะไรนะเพราะว่าแง่ลบแม้มีอยู่ในใจเนี่ยแต่ถ้าไม่ไปมีผัสสะคือไม่มีใครมากระทุง้ง ให้แง่ลบมันทำงานคุณก็อาจจะสบายสบายได้แต่ถ้าเจอภัสสนิดเจอคนสกิดหน่อยทันทีเลยอาการออกทันทีเลยฮวันใครที่สะสมแง่รบพวกนี้เอาไว้ในจิตใจมากๆถือว่าเป็นคนที่อ่อนไหวต่อภัสสะโดนอะไรนิดโดนอะไรหน่อยโกดงง่ายถือสาง่ายอึดอัดขัดเคืองง่ายนะงุดยิดอารมณ์เสียง่ายมาก ไปสังเกต ด, ดูฮะคนที่มีแง่ลบพวกนี้มันไวมากเลยเพราะว่ามันมีเยอะไงเพราะมันพอใครมาอะไรนิดหน่อยปั๊บมันขึ้นมาทํางานอย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือข้อที่หนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสถึงว่าอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนก็คืออย่าเอาไอ้พวกแง่แง่ลบแง่ร้ายอะไรเอาเอามาคิดเอามาปรุงบ่อยๆถ้ามีสติรู้ตัวรีบตัดออกทันที รีบลดแง่ลบๆออกกับใครก็ตามกับคนที่คุณยิ่งโดยเฉพาะคนที่คุณเกลียดอ่ะพอเกิดคิดเอาละบางทียังไม่ทันเห็นหน้าเลยนะแต่เราเกิดอารมณ์ไม่ดีมาหรือว่าเกิดทำงานอะไรไม่สำเร็จอะไรมาบางทีเนี่ยเอาขึ้นมหมีกแล้วขึ้นมาเลยสำหรับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบ คือคือมันหาทางระบายออกมันเองมันหาทางเขาเรียกว่าจิตมันพาณเนี่คือมันจะหาใครมาให้ให้ซ้อมให้ซ้อมไม้ซ้อมมือนะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะพานใส่วัะยิ่งคนที่เราเกลียดเนี่ยมันจะโดนเราพาณใส่เนี่ยเยอะทั้งที่บางทีนี่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะเพราะนั้นอันเนี้ยข้อที่หนึ่งฝากแง่คิดตรงนี้ไว้นะเพราะนั้นเลิกให้ได้ นะอย่าเอาทุกมาทับถมตนวันสิ่งที่ทำให้คนเราทุกข์ที่สุดคืออะไรสิ่งที่ทำให้คนเราทุกข์ที่สุดความคิดเป็นตัวการที่ทำให้คนเราเนี่ยทุกหรือว่าสุขแต่ตัวอะไรล่ะที่ทำให้ทุกข์ล้ำค้างโกรธก็ใช่ด้วยคือเมื่อวานนี้ก็เพิ่งพูดไป คือตัวโทระตัวสายลำคาเนี่ยสายโทรศัมานี่นะจนมาถึงลำคาคุณเห็นง่ายว่าพวกเนี้ทําให้คุณทุกข์คุณยังเห็นง่ายใช่ไหมเพราะว่ามันไม่สมใจไงแต่แม้กิเลสตัวกรรมก็ตามตัวให้คุณแบบว่าสมใจอ่ะสมใจกิเลสคุณอ่ะคุณฟังดีๆนะจริงๆคนก็มักจะคิดว่า สมใจกิเลสเรานี่เรามีความสุขสิเราจะไปทุกข์ไงถูกกับป่ะแต่จริงๆนะ่ยตัวนั้นก็ทุกข์แต่ตัวนี้มันมองยากกว่าไงคุณจะต้องอปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นควาว่าปฏิบัติธรรมหมายความว่าคุณเข้าใจสัจจะความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมากขึ้นคุณถึงจะเริ่มเห็นกิเลสตัวสายลาคะถึงจะเป็นทุกข์ได้ มัรโดยทั่วๆไปเนี่ยจะเห็นกิเลสตัวโทสะง่ายว่าเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นคุณโกรธคุณเกลียดใครอะไรใครเนี่ยคุณเห็นง่ายโอ้ไม่อยากไปโกรธใครอะ่ะไม่อยากไปเกลียดใครอะ่ะเพราะมันทุกข์วันนั้นก็ถามอยู่เสมอเลยบอกเวลาโกรธใครเป็นยังไงใครทุกข์เวลาเราไปโกรธใครเขาเนี่ยใครทุกข์เออเราทุกข์อันนี้เห็นอยู่และเห็นง่ายน ไ, ไม ไปถือสาใครอย่างเงี้ยเอ่อเห็นอะไรก็อึดอาดใครเครื่องไม่ชอบใจใครทุกเออเราทุกไอคนนั้นมันยังไม่รู้เรื่องโดยซ้ํำไปใช่ไหมอันนี้คุณเข้าใจง่ายอยู่แล้วคุณพอมองเห็นทุกขของตัวเองได้ง่ายแต่พอมาถึงเรื่องของกามาเรื่องของราคะกิเลสสายสายกามมาเนี่ยโอ้โหเริ่มยากละเพราะเรารู้สึกได้กินของอร่อยอร่อยเป็นไง นะเอเอเป็นสุขคุณไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ะนะมันเห็นยากแล้วตอนนี้อาตมาต้องบอกโอ้โหขาวนี้พูดยากแล้ววันกิเลส ไ, ไอสายตัวเนี้บางทีไม่ค่อยอยากจะพูดสักเท่าไหร่อะเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติทำให้ดีๆแล้วมันมองมันก็เห็นคือคือจะต้องอาศัยเวลาอาศัยการฝึกฝนอาศัยการเรียนรู้สัจจะจนกระทั่ง ค่อยๆเห็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเห็นก็ต้องเห็นได้ตัวตัวเองด้วยไม่ใช่คนพูดอธิบายไปแล้วคุณฟังฟังแล้วคุณก็เออเอเห็นเห็นเห็นแหมมันไม่ง่ายอย่างกัน้ะเพราะฉะนั้นคนเลยเลิกของที่ฟังอยู่นะเลิกของที่ทำให้เราอึดอัดขาดเครื่องเลิกของที่จะทำให้เรามาทุกขในสายโทรศคนเห็นง่ายแล้วก็เลิกง่ายแต่พอสายโอ้เราไปรักคนนั้น เราไปชอบคนนี้ เ, เราชอบกินก๋วยเตี๋ยวเราชอบกินไอศครีมคุณจะเห็นทุกเพ่อไอศครีมคุณจะเห็นทุกพ่อก๋วยเตี๋ยวโอ้โหชักยากแต่จริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมต้องมองให้เห็นให้ได้ถ้าตาบใดคุณมองไม่เห็นเนี่ยคุณก็จะทุกข์เพราะเพราะกิเลสพวกเนี้ไอ้ตัวสายกามสายราคะนี่คุณก็จะทุกข์ตลอดไป นะเวียนวนอยู่อย่างนั้นนะ่ะไม่มีวันแล้วไม่มีวันจบนะเพราะฉะนั้นความพยายามไหนที่จะมีมรรคผลมีความสาเร็จได้นะข้อที่หนึ่งเจ้าถึงบอกว่าอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนนะคืออย่าไปคิดในแง่ลบเอาไว้ข้อที่สองไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมฟังดีๆนะคราวนี้ท่านบอกว่า ไม่สละความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมมีประเด็นสำคัญคือโดยธรรมหมายถึงว่าโดยการประพฤติโดยการปฏิบัติที่ถูกต้องโดยธรรมนี่ที่ถูกต้องที่ดีงามถ้าเราเนี่ยปฏิบัติสมมุติว่าลดละกิเลสตัวไหนหรือว่าตั้งตาบะอะไรทำแล้วเนี่ยปรากฏว่าเออเราทำแล้วโอ้โหมีความสุขมีความยินดีมีความพอใจ ถ้าเป็นไปโดยทรรม อ, อย่างเช่นเราลองหัดงดหัดเว้นไม่กินไอศครีมแล้วคุณมีความสุขขึ้นมาได้ทั้งทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยสมมุติเราติดไอศครีมเราไม่กินไอศครีมจะเป็นอะไรจะเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าจากที่การที่เราฝึกฝลบอกแล้วเราก็ไม่คิดแง่ลบจร่งจริงไม่ใช่ว่าพอโอ้โ oh, หวันนี้ ไม่น่าตั้งเลยไอศครีมดูที่เข้าอุตส่าหมาเลี้ยงฟรีเลยอดกินเลยอั น, นี้คุณคิดแง่ลบคุณก็จะเกิดเสียดายคุณก็จะเป็นทุกข์ใช่ไหมอย่างเงี้ยเอาทุกข์มาทับถมตนแต่ปรากฏว่าคุณเริ่มสอบผ่านข้อหนึ่งแล้วปรากฏว่าแม้มีคนเอาไอศครีมมาเลี้ยงแล้วเราก็ตั้งตาบะแต่ปรากฏว่าเราก็เออไม่คิดแง่ลบอะไรอะ่ะนะเราก็ยังยินดีเราก็ยังภูมิใจว่า โอ้โหนี่ขนาดเรายังชอบชอบมานเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าโอ้เราหักใจได้เราฝืนใจเราได้เราตัดใจเราได้เราบังคับใจเราได้ที่แบบว่าโอ้ไม่ต้องไปกินก็ได้แล้วเราก็รู้สึกมีปิติมีความสุขที่เราโอ้โหวันนี้ชนะกิเลสตัวดีของเราได้แฮ มีปิติมีความสุขที่ได้มาโดยทำเนี่ยได้โดยการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นความสุขแบบนี้พุทธเจ้าบอกรู้จักเก็บเอาไว้อย่าปล่อยทิ้งไปอย่าปล่อยทิ้งไปเด็ดขาดเพราะนั้นอาตมาเตือนคนถือศีลหรือเตือนคนมาปฏิบัติธรรมเสมอๆ เ, เลยว่าจะต้องรู้จักสร้างปิติไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นปั้นจิตเอานะ ปั้นจิตเอาให้มันมีความสุขเอาเองไม่ใช่แต่อันนี้เนี่ยพ่อเรามาถือศีเรามาปฏิบัติธรรมเรามาลดละกิเลสเราแล้วแล้วเราก็เห็นเลยว่าเออพอกิเลสมันลดลงเราสู้กิเลสได้เออเราเบาขึ้นเราสบายขึ้นเรามีความสุขจริงๆอันนี้รู้จักสร้างปิติอย่างนี้เอาไว้เพราะถ้าใครสร้างปิติอย่างนี้เอาไว้ได้นะอันข้อที่สองนี่คนนั้น่ะ ไม่เลิกทํำหรอกอาก็คุณมีความสุขในสิ่งนั้นคุณจะเลิกเหรอถูกไหมถ้าคุณมีความสุขในสิ่งที่คุณทําอะคุณไม่เลิกหรอกไอ้ที่เราจะเลิกเพราะมันไม่สุขอดีมันถึงอยากจะเลิกมันถึงอยากจะทิ้งอะแล้วอะไรอะที่ทําให้คนเราทําอยู่ได้เรื่อยๆเสมอๆในสิ่งนั้นแล้วก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคุณต้องมีออิทธิบาทใช่ไหมคุณต้องมี ฉันทะมีความยินดีมีความพอใจเนี่ยทุ่มใส่ในสิ่งนั้นในสิ่งที่คุณพยายามเรื่องนั้นเนี่ยวันอิธิบาสีเนี่ยที่พระเจ้าท่านบอกว่าเอาไปทําอะไรเนี่ยสามารถสําเร็จได้ทุกอย่างถ้าคุณเอาอิธิบาสีใส่เข้าไป